สองมองครึ่งนะเลิกเนานะหมอเอาสักสองทุ่มครึ่งเลิกเนานะแล้วใครไปปีนเข่ามาเนี่ยเขาเป็นอายุนเนี่ยฮะไปปีนเข่ามาเนี่ยใครตกเขาาบ้าง คนตกเขาคือคนไม่ได้ปีนนุ่นยังสอ น, นอ่ะคนตกเขาคือคนไม่ได้ปีนนะมีใครอีกไม่ได้ปีนเราคุยได้เด้เราไปปีนมาอะไรเด้นะ สริริติเนี่ยบางคลจักรวาลใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านนิยมอ่ะมีบันฑ์พลตะเกีร์หลงปู่เขียนคานไม่ได้นะส่วนมางคลจักรวาลใหญ่มหาสติปัฏฐานเนี่ยท่านสวดปากเปล่าเองนะหลวงปู่เขียนเนี่ยท่านสวดยุทธกุติท่านนะท่านเป็นมาสวดกระมูลเพราะไม่มีใครสวดได้เวลามาสวดกระมูลนี่สวดแค่นี้แหละบทอุเทศมันแค่นี้แหละ เพราะบทกายเวทนาจิตธรรมแค่นี้แหละไม่ได้ไปแยกแยะว่ากายมีอะไรบ้างในบทกายกายานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานมันมีพิจารณาลมพิจารณาอิริยาบทพิจารณาอายตนะพิจารณาสังชัญญาในในบท กายานุปัสนาสติปฐานซึ่งเป็นบทกรรมฐานที่ละเอียดมากพวกเราไม่เอามาดูอยู่ที่นู่นเราก็พาสวดสวดเวียนไปวันละวันละวันละวันละช่วงวันละช่วงวันละช่วงวันละเจ็ดแปดใบมันแหะสวดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงบดกายบดเวทนา บทกายนี่เยอะมีถึงโน่นกายคาตาสติมีถึงปลายช้าก้าวตทกา ย, ยานุปัสนาสติปทานกรรมฐานเก่าๆที่เราเคยได้ยินที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดกรรมฐานแบบบ้นนอกจริงๆเนี่ยมีอยู่ในนั้นหมดเห็นนน่นเห็นนี่เห็นอาสุภเห็นอาสุภังเห็ น, อ, ห น, อ, หนอะไรๆมีอยู่ในนั้นหมดที่ท่านพูดเอาไว้ ล้วนแต่เป็นบทพิจรารณาทั้งนั้นพิจารณากายเราไม่เหินห่างจากกายตามดูกายตามพิจารณากายเอาสติเป็นเรื่องกำหนดจดจอ่อเป็นเรื่องใหญ่เพราะขึ้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วทิ้งสติไม่ไปไม่ได้สมถะก็ทิ้งไม่ได้วิปัสสนา ก, ก็ทิ้งไม่ได้สติจึงเป็นเรื่องใหญ่พริเจ้าท่านจึงทรงแสดงเป็นเป็นพระสูตรพระสูตใหญ่ ครอบหมดนะ่ะสมมถ ก, กรมมกรมฐานยิปสนากรรมฐานครอบหมดนะ่ะมหาสติปัทานแต่ในนี้ไม่มีบทอุเทศในหนังรรสือมัดเวียนรุ่นก็ไม่มีบทอุเทศไม่มีชริตติก็ไม่มีรทหารแต่เมื่อวานไม่มีตันนี้มาดูมหาสติปทานอีกไม่มีบทอุเทศก็ไม่มีมันมีในมนพิธีมันมี หนังสือพิสดารเราไปเห็นของของจบับปุ้ยแสงฉายปุ้ยแสงฉายเป็นหนังสือพิมพ์แบบภาษาไทยแบบนี้แหละเล่มใหญ่ขนาดนี้เล่มใหญ่ขนาดนี้ก้มีหมดเลยมหาสติปัฏฐานก็มีอยู่ด้ยนั้นแต่มหาสติปัฏฐานเขาไปยานไปยานเขายอ่อเขายอ่อ เขายอบทเขาย่อบทเาขาย่อบทสมุทัยกับบทนิโรธในหลักในสติใ น, ในอริยในอริยสัจสี่เขาย่อย่อบทสมุทัยกับบทนิโรธ บสทสมุทัยขบทนนี้โรดคัยอ่ยอย่อคือไปยานใหญ่คือไปยานใหญ่หญแต่แต่พอเราพากันสวดเราสวดมดไหยเราต้องการให้หมูเข้าใจเราพาสวมดมะไม่ย่อแหละไม่ไปยานหละไหนนั้นเขาไปยานมีทั้งชนิดไปยานและแชนิดไม่ไปยานคือบท ม, มันซ้ําๆๆเขาก็เลยไปเป็นไปยานไปยานใหญ่หละไว้ในฐานที่เข้าใจสำหรับผู้สวด วในฐานที่เข้าใจต้สวดนาใบาวในฐานที่เข้าใจสวดอะไรล่ะสวดสมุทยรูปังโลกปพิยะรูปังสาตรูปัง นิทะพิกเวิกุรูปังโลกะปิยรูปังซาตรูปังจะคุ้โลกะปิยรูปังซาตารูปังจะคุ้โลกะปิยรูปังซาตารูปังสตต สตัโลกพิยรปังสตารปังสัตะโลกพิยรุปังสตตะรปั ง, ดดป ง, า, ปงานะโลกพยิยรปังสตรปังกายโลกพยิยรปังสตรปังสวดยอ่อจากนั้นก็ไล่เข้าไปยนยนยอ่อเป็นมาสติปัฏฐานบทกายบทเวทนานิดหน่อยบทจิตก็นิดหน่อย แต่บทกายมากรวมทั้งบทกายทั้งบทเวทนาทั้งบทจิตยังน้อยกว่ายังน้อยกว่าบทธรรมดูในปริมาณที่อยู่ในนั้นน้อยกว่าบทธรรมบทธรรมนี่จะรวมยอะบทธรรมอมไล่ไปทั้งแต่นิวรณิวรห้า โพดชมเจ็ตอาิยาสัตว์สี่มีไปไล่ไปไล่ละเอียดเลยนะอาิยาสัตว์สี่ไล่ทุกไล่สมุไทยไล่วิโรธไล่มัรไล่โพดชมในหลักของธรรมโดยเฉพาะไปไ ล, ไล่ในบทบทสมุไทย กับบทนี้โรธอันนี้ยาวสวดหมดเลยไม่มีไม่ไม่มีไปยานอ่า ไ, ไม่มีไปยานแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยในนั้นทำไรแต่ละบทแต่ละบทรวมไป เช่นอย่างสมุทัยเนี่ยท่านเอาธรรมะสิบหมวดมาไล่ธรรมะสิบหมวดมาไล่หมวดละหกออายตนาภายยังไงหกอายตนาภายนอกหกวิญญาณหกพัทธสหกอันนี้สามหมวดหมวดที่สี่พัทธสหมวดที่ห้าเวทนาหมวดที่หกสัญญาหมวดที่เจ็ดสัญจีตนาหมวดที่แปด ตันหาหมวที่เก้าวิตกหมวที่สิบวิจารโมหกโนทหกสิบหกหกสิบสิบหกหกสิบนี้คือกิริยาการที่มันพลิกแพลงในจิตของเราจิตของเราพลิกแพลงไปกิริยาไหนไม่นไม่นอกเหนือจากนี้ที่ท่านไปไล่เอาไว้เรามาศึกษามาไขค ร, ครวัวดูโอ้มันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย จิตของเราเล็ดลอดออกไปช่องไหนอยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในปิยรูปสารรูปทั้งไล่เอาไว้อย่าวสิบหมวดทั้งทั้ ง, ง ท, ทั้งทรงไทยทั้งนิโรธ อ, อุปชิมานาอุปชติ วินีสมานานิวีสมานานิวีสติตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นี่เมื่อจะละตัณหาก็ละที่นี่สุงไทยเหตุเกิดหาตัณหาเมื่อเกิดก็เกิดที่นี่อุปัชฌมานาปัจจตินิรุตชมานานิรุตจิติวินีสมานานิวีสตินิวีสมานานิวีสตินี้เมื่อจะละ พิยมานาพิยตินิรุชฌามานานิรุชติมันจะระนาดที่นี่เมื่อจะดับก็ดับที่นี่ดับที่นี่ดับที่กิริยาทั้งหกสิบกิริยาเนี่ยเราไปไล่ดูโอ้โหสืบลงมาทําให้เป็นเหตุเราไม่ไว้วางใจกิริยาใดแม้แต่กิริยาเดียวในจิตของเรามันสามารถสูมรอยมาได้ทุกช่องเลยนะ ปัญหาไอ้เจ้าตัวมารร้ายที่มันค่อยแทรกเข้ามาเพราะแต่มันซึมมันแทรกซึมเข้ามาละเอียดมากในใจของเราเราตามมันไม่ทันนะตามมันไม่รู้ตามมันไม่ทันเรามาทําทําเข้าใจเกี่ยวกับหลักอันนี้อ้าวกลายเป็นว่าทําให้เราเห็นความสําคัญของใจสติกํากับจิตหยุดทุกเหตุกาบทยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นการเจริญกายกายยันปัจฉนาก็ตาม จ เ, จเจริญเวทนาเวทนานุปัสนาสติประฐานกตามไม่ว่าจะเป็นการเจริญจิตไม่ว่าจะเป็นการเจริญธรรมร่วมยงลงอยู่ในนี้ทั้งหมดในหลักอริยสัจสีทั้งหมดเลยถ้าเห็นความละเอียดที่ท่ทานยบเอามาพูดเอาไว้แต่ส่วนมากเขาไม่ยอมไมยอมเอา ม, มาสวดหลวงปู่เขียนท่านสวดได้ปากเปล่าเลยนะ เรเดินไปได้ยินท่านสวดไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งอ่ะท่านสวดอยู่ที่ปกติเวลาท่านสวดหมดท่านไม่มาสวดกับหมูท่านสวดอยู่ที่ปกติท่านสวด่านสวดหมดเลยสวดหมดสวดปากปล่าน่ะหมูเขียนเนี่ยมาสติประญานท่านพาสวดท่านไม่ผ่านทิงท่านเห็นท่านท่านปาเรียนก้าวเนี่ยท่านดูคําแปลท่านรู้หมดอันไหนเป็นอะไรอันไหนเป็นนไหนโอ้ ยิ่งใหญ่มากเราไปดูคําแปลท่านมีกํากับอยู่ในนั้นหนังสือนี่เราพิมพ์มาสามสี่ห้าหกครั้งแล้วเนี่ยพิมพ์ที่งานบรนพ์สองครั้งมาพิมพ์ที่วัดเราสี่ครั้งพิมพ์ที่ไรก็ไม่เหลือพิมพ์ที่รหัสร้อยพิมพ์สูตรเดียวนะมหาสติประฐานสูตรสูตรเดียวไม่มีอย่างอื่นมาปนแหละ เป็นหนังสือโดดๆเรมมาสิติปฐานเรื่มเดียวจะกนั้นเราก็พาหมูสวดให้ให้หมูไปดูคำแปลให้เกิดความเข้าใจถ้าเราจะพิจารณาถึงส่วนละเอียดในการที่เรามาภาวนาอูเป็นหนังสือที่สำคัญมากแต่ไม่ค่อยมีใครเน้นไม่ค่อยมีใครเน้น เราไปไล่โมลักที่จริงอู้เป็นข้อปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมเลยอยู่ในนั้นสมุท t าก็อยู่ในนั้นวิปสรานาก็อยู่ในนั้นท่านจึงเปรียบเส ม, มือนรอยเท้าของช้างมันใหญ่กว่ารอยเท้าทุกอย่างในป่านั่นภาสีประธานตล่อมหลอมรวมคำสอนสอนเบ็ดเสร็จรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วสุดท้ายมีอันนี้สองด้วย เ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีถ้าใครตั้งใจเจริญตามนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไปดูไปดูปรุงให้ให้เข้าใจอย่าไปเห็นว่าเป็นเรื่องอิจฉารออาอใจดูละอูมันเข้าใจทะลุ ป, ปลูกพงในในกายเราในจิตเรามันมีความสําคัญทะลุ ป, ปลูกพงหลักปริญตายเป็นกลุยหมายป้ายทางระัวัน เราดูได้เท่าไหร่เราก็ตั้งใจปฏิบัติตามไปเท่านั้นไม่ใช่เราดูเจ้าไม่โกโก้เฉยเฉยแล้วไม่ทำตามไม่ทําตามอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตําหนิครูบาอาจารย์ท่านก็ตําหนิอย่างหลองตาเนี่ยท่านทำหนิน้องตาท่านเป็นนักปริญญาท่านเป็นมหาปริญญาเนี่ยเรียนรู้เท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วเราตั้งใจศึกษาตามนั้นแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติได้เท่าไร่ปฏิบัติตามนั้นได้เท่าไหรปฏิบัติตามนั้นอันนี้ท่านชม ผู้ที่มีหลักอันนี้อยู่ในใจอยู่บ้างมันพอจะตะเกียกตะกายไปเองได้ไม่จำเป็นจะต้องคอยครูบาอาจารย์คอยป้อนใ ห, อนนนอนให้อันนั้ก็ป้อนให้อันนี้ก็ป้อนให้ป้อนไปป้อนมาไม่รู้จับต่อซะอีกนั้นบนทั้งพูดทัด้งบนอยู่เรื่อยๆเป็นการช่วยการศึกษาเรื่องเหล่านี้นะศึกษาไม่จบเรียนไปไม่จบศึกษาไปด้วยปฏิบัติไปด้วย มันช่วยส่งเสริมช่วยสื่อกัารันกันสัตย์ธรรมสัตยธารมเหมือนอย่างที่พูดเมื่อวานสัตยธรสัตยธรรมสัตยธรรมสามปริยัญาปฏิบัติปฏิเีตท่านทรงทํานีเรียนนั่งไม่ปฏิบัติเหมือนอย่างเรารู้ตํารายาไปหมดอันนี้นะแกงูสวรสดนะอันนี้อันนี้อันนี้ดีมากโอ้เรียนจดไว้เป็นเยอะมากมาเยอะไม่เคยเอามาใช้ไม่เคยเอามาลอง อันนี้แก่นั้นอันนี้แก่นั้นอันนี้แก่ดีมากจะจําได้หมดเกิดประโยชน์สําหรับผู้ไปบอกต่อๆให้ประโยชน์ขั้นบอกได้ประโยชน์ขั้นบอกแต่ถ้าเอามาทําเองไม่ประโยชน์รู้หนักรู้ข้อหนักเบามันไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับเราเข้ามารู้หลักอทําในใจของเรารู้เงื่อนรู้นำของจริตอันนี้สําคัญที่สุด เราอยู่เราสังสงเราอบรมเราเก็บเล็กผสมมาสังสงอบรมไปด้วยยังไงยังไงท่านก็เรียกว่าศึกษาท่านแม้แต่เป็นพระโสดาบันท่านก็ยังใช้คําว่าศึกษาเสขับบุคคลพระสกิตาคารุพระสกิทาค า, า, คาท่านก็ยกงเรียกเสขับบุคคลผู้ยังจะต้องศึกษาท่านใช้คําว่าศึกษาเป็นพระอนาคาคาท่านยังเรียกว่าพระ เสกขะล่วงไปแล้วเป็นพระอาหารหันไปแล้วท่านเรียกว่าพระอาเสกขะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาเนีเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาคือเรียกว่าศึกษาเร า, าศึกษาค้นคว้าข้างในศึกษาค้นคว้าข้างนอกค้นคว้าข้างนอกแล้วก็ไปใคร่ครวนเราไปสุตัดได้รับความรู้รับความเข้าใจแล้วเสรเราก็มาจินตะตัดมานึกมาใคร่ครวน เหมือนก็นมาอุ่นกินอีกว่างั้นเถอะย้อนไปย้อนมาสอกไปสอบมาไขโคนไปไข้คนมาให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาในสิ่งเหล่านั้นทําให้เราเพลินรื่นเริงในในความเป็นอยู่ในชีวิตจิตใจ ข, ของขอนักปฏิบัติของเรายิ่งเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาท่านเป็นไปท่านมาพูดก็มาแนวาจิตเราหายเงียบ กำหนดแนวจิตลงหิเงียบเนี่ยเราไปทําไม่เป็นสักอย่างมันท้อวิธีอื่นมีวิธีอื่นนี่หรือวิธีนี่หละที่พระญาตท่านทรงแสดงไว้เนมาสีปฐานนี่แหละพระจริตนิสัคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนท่านทำหนักแน่นไ ป, ไปในทางสมถะกาหนดแนวยิ่งออกรูเ้รรเห็นนู่นออกรู้เห็นนี่ไอเราไปทํำมืดตึ๊บไม่เกิดไม่เป็นเหมือนท่านนี่ สมัยหนึ่งเราก็งอเมืองงอตีขี้เกียจอีกครลาดโอ๊ยไม่มีบุญไม่มีวาสนาเนี่ยวิธีอื่นมีอยู่คือวิธีนี้แหละต้อ ง, องตั้งใจทำํำเวลาเจริญแล้วก็เอาสติมากํากับมากำหนดจุดโจมันก็นไม่พ้นสติอะเราไปเรียนตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพุโทโธพุโทพโธเราไม่มีสติพุโทโธที่ไหนไมันจะอยู่ไม่อยู่ดอกอืม เราก็มาประยุกต์ให้เป so <ší> ็นภาคสมถะมาประยุกต์ให้เป็นภาพวิปัสนาภาคสมถะแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจนอย่างอยู่กับบทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่เอาคําวริกรรมเปลี่ยนอารมณ์ไม่เปลี่ยนอารมณ์จับอารมณ์หนึ่งเดียวจนจิตสงบอิ่มสงบอยู่ในนั้นอารมณ์หนึ่งเดียวที่เรียกว่อารมณ์สมถะ อารมณ์ของวิปัสนาจับเหตุย้อนไปดูผลจับผลย้อนไปดูเหตุดูในการทํำมาร้องใจของเราอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสนาเป็นเรื่องที่จะเข้าไปรู้ละเอียดย่อยทุกก็บียดบางทนเดีย่อยละเอียดย่อยอารมณ์ภายในจิตของเราทำความรู้จักกับมันมันมีความสาคัญนะถ้าเราเข้าใจ แม้แต่คำว่าพุทโธผู้โทผู้โธ พ, พิจารณาให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าไม่เข้าใจเราก็ไปเทียงกันวันเัี่ยงข้ามเลยแต่ถ้าเราเข้าใจเราลองทําเราดูสิพูโทโธพูโทโธพุโทโธพูโทโธแล้วก็จ่อไปที่ผู้ดําริว่าผู้โทเราจ่อเข้าไปดู จอหันกระแสจิตของเราเนี่ยไปที่พูดดพ้ดำรีพูดโธพุโทโธพุทโธนี่คือลักษณะของมหาสติปัฏฐานมันจะทําให้จิตของเราตื่นเพราะมันเป็นการปลุกจิตของเราตลอดทุกเวลาทุกเวลามหาสติท่านสอนครอบไปถึงคราวาสเพราะคราวาสนม่ชอบอ่านไม่มีเวลาภาวนาที่มหาสติสามารถ ทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดดำริสติดำรองสติอยู่ได้ตลอดแม้แต่ทำงานทำงานก็สามารถเจริญมหาสติได้ล้างจานอยู่กับงานเดียวล่างจามนมีสติกำมัดจดบจออย น, นี่มันเป็นการปฏิบัติไม่ใช่มือล้างจานจิต ค, คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ร้อยแปดพันอย่าง ในการคิดเมือ่อล้างไปก็มันชินมันก็ล้างได้ล้างได้อันนั้นไม่ไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติอยู่กับอารมณ์เดียวที่กําลังล้างจานกําลังล้างแก้วแม้แต่กําลังชงชาเนี่ยชงเข้าไปสติอยู่กับขณะที่กําลังชงเวลาเราไปทํางานทําการอย่างเขียงสิงก็อยู่กับเรื่องเดียว ยกเรื่องเดียวแต่คำว่ามหาสติปัฐานนั้นน่ะถ้าเอาไปใช้กับอารมณ์อื่นท่านไม่ไม่เรียกมหาสติปัทานถ้าเอามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมนี้ท่านเรียกว่ามหาสติปัฐานไปกำหนดสติเจาะดูทางขับรถอย่างงี้ท่านไม่เรียกมหาสติปัทานแต่มันก็เป็นการเจริญสติมันทำทำให้งานของเราดีขึ้นทําให้ให้งานของเราเปลอดภายัยและมันเป็นภาคปฏิบัติ อาสติที่เขารากำลังจดจ่อ้ากับอยู่กับอันนั้นโดยที่เราไม่ได้มือทําอย่างหนึ่งจิตคิดล่องอยไปอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติท่านจึงเอามาสอนเราว่าที่ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาพาหนาไม่มีเวลเวลาพอหนาเข้ากันได้ลัลยเกินขอให้ใครค่ครวรพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้นกลัมาให้เป็นให้เป็นลักษณะของสุตตานั่จินตาน ไอ้คว่าจิตตะอะไรโปล่ขึ้นมาในจิตของเราเล้ก็คข่ครวนตีมทียิบละเอียดเข้าไปอีกมันก็เป็นจินต์ภาวนาเมยะปัญญาเข้ามาจากไหมันก็มาจากจินตนึกคิดคร่กลวนอยู่ภาในจิตนึกคิดเทียบเทียงเรื่องเหตุเรื่องผลที่ไปที่มาจับเหตุสาวไปหาผลจับผ ล, บผลสาวไปหาเหตุใคร้ครวนข้ออัดข้อทำที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือ ก็อาจก็ทําที่เราทําเป็นประจำใคร่ครวญก็หมดจดจอยอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของยินตัดทำไปจนเห็นข้อแปลกปรลาดอัศจรรย์ที่ท่เรียกว่าปัญญาเกิดภูมิปัญญาจากการที่เราใคร่ครวญไตรตรองอยู่อย่างนั้นท้าเรียกว่าภาวนามยะปัญญาภาวนามะยะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจภาวนาสิ่งเหล่านี้เราทําไปแล้วเราจะว่าอะไร เราจะว่าประหยะัหรือเราจะว่าปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูที่อื่นเรามดูที่ใจของเราใจเราเข้าใจไหมรู้ทั่วถึงไหมความละเอียดของจิตเราตามรู้ตามทัน ต, ต, ต, ตามเข้าใจอะไรต่ออะไรทั้งวันคืออะไรเป็นอะไรเราเรากำหนดเองเรารู้เองเราเข้าใจเองว่าเคื อ, อนนี้เป็นนี้อันนี้เป็นนี้เป็น น, นี่มันทําให้เรา เกิดความรู้โดยที่เราอาศัยปรีแค่งของเราเองไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยกรอบใส่หทูทุกครั้งทุกคราวไปถ้าจิตไม่เป็นไปมันก็ฟังสักทีว่าฟังอยู่นั่นแหละอาศัยวัดทำทาให้มากทำให้มากเจริญได้มากทาให้มากเจริญได้มากเรามาดูให้เกิดความเข้าใจมันจะช่วยนะ ช่วยทำให้เรามีกับจิตกับใจข้อสําคัญข้อสําคัญเอาสติเพราะสะตินั้นมันเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมเป็นคุณสมบัติของจิตชั้นเยี่ยมที่มีที่เราดําริเอามาใชใ้เกิดประโยชน์สมถะขาดสติก็สมถะก็เกิดไม่ได้วิปัสนสนาขาดสติก็เกิดไม่ได้ตดไไดแต่ละหรือเวลาเราตั้งใจทำํำจริงๆเราลอยอย่าไปแยกให้เป็นเรื่องเด็ดขาด ใจดวงเดียวเป็นคนมาทำมาเวลายใจมันอยู่เวลาใจมันเกิดปัญญามันก็รู้ทั่วถึงอยู่ในอยู่ในเราพิจารณากายเวทนาเขอยู่ในนั้นจิตก็อยู่ในนั้นทำเก็อยู่ในนั้นพิจารณาเวทนากายก็อยู่ในนั้นจิตก็อยู่ในนั้นทำเก็อยู่ในนั้นพิจารณาจิตพิจารณาจิตก็คือพิจารณาอะไรอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วไปอยู่ที่จิต อารมณ์ที่เกิดภายในจิตที่เรียกว่าพิจารณาจิตหรือพิจารณาอารมณ์ของธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตมันก็จะคืออะไรก็อารมณ์ที่กายมันล่วไปแล้วเวทนามันล่วไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาให้เราพิจารณาดําเรีข้อธรรมบดใดมันกระเทือนถึงกันหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเราไปไข ค, ครววไปไตรตรองดูตัญหาที่มันจะเพึงเกิดขึ้นหน่วยใจของเราหกสิบ กว่าช่องที่มันจะทะลุทะลวงออกมาแทรกเข้ามาในหัวใจของเรามันมันเป็นขึ้นมามันสวมรอยเข้ามาวิตกดอย่างนี้วิโตกดปับ๊บเนี่ยมันสวมรอยเข้ามาแล้ววิจารปั๊บเนี่ยมันสวมรอยเข้ามาแล้ววิตกวิตกก็คือตรึกคือนึกนึ ก, นกถึ ง, ถ, งถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงสัมผัสเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแทรกเข้ามา วิจารคือตรองคือประคองแม้แต่เรประคองอารมณ์ที่มันโผล่ขึ้นมาตันหาโผล่ขึ้นมาปั๊บวิตกปั๊บตันหาแทรกเข้ามาพอตันหาแทรกเข้ามาปั๊บวิจารณ์มันประคองมันยืดไปไปปรุงไปแต่งไปกินจนเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วถ้าเป็นตันหาราคะมันเอาไปปรุงแต่งจําเป็นรูปเป็นอะไรเป็ดเสร็จบริโภคเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่ทันมันวิตกวิจารณมันแทรกเข้ามา มันเกิดขึ้นมาที่จิตแล้วไม่รู้มันออกมามันละเอียดมากที่ท่านมาพูดเอาไว้นี่โ อ, อย่างอื่นไม่มีเกินนี้ไปไม่มีท่านจบล้องลงมาอยู่ในหลักอั น, นยศอยู่ในหลักมหาสิบฐานทั้งหมดเลยโดยเฉพาะในหลักอายัาสต์สีเนี่ยท่านพูดไว้ละเอียดมากแลก็อาจจะมีข้อแปลกแยกกว่าที่อื่นเช่นอย่างทุกเนี้ย ปกชาติปิดดูฆ่าชาลาปิดดูฆ่ามารณ์ปนดดูข่าสกปริปตถูกทกอนหนึ่เป็นทุกอันหนึ่งเป็นทุกอันงเป็นทุกอันงเป็นทุกแล้วแล้วก็สมุทยัยสมุทัยก็ต้องประกอบไปได้วยสิบหมวดหมวดละหกนิโรธก็ต้องประกอบไปได้วยสิบหมวดหมวดละหกคาว่าสิบหมวดคือข้อที่ตัณหามันจะฝังแทรกเข้ามาในหัวใจของเรารูปร่างของลักษณะของตัณหาที่มันแทรกเข้ามาคืออะไรเป็นไร เรารู้ว่าคืออะไรเป็นไรเราพยายามฝึกพยบยาสังเกตพยายามกนรจดจ่อดูเข้าไปโอกาที่มันจะสวมรอยเข้ามาอย่างละเอียดอ่อนเราจะเห็นมันน่ะแสกเข้ามาในหัวใจของเราเมื่อที่เราทําเรื่อยๆทำนุนมๆทําบ่อยๆครั้งข้าวเราก็ทันทันแล้วเหมือนกับเรามีเครื่องม้เื่องอยู่ในมือสะดวกสบายในการที่จะมหยิบมาจับไม้ใช้มาสอนแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนเกื้อกูล กับสติของเรากับสมรชัญญาของเราถ้ากเราไม่ค่อาใจเลยเราไปฟังแต่ครูบาอาจาร oh, าาย์ท่านนั่งภาวนานเข้าชานเงียบจิตลงถึงฐานทุกครั้งจิตลงถึงฐานทุกครั้งไอเราไม่รู้ไปลงฐานไหนก็ไม่รู้อ่ะเห็นโน่นเห็นนีน้เมาสบาเห็นแสนโนแสนนเราไม่เป็นเหมือนท่านสักวันหนึ่งถอใจแล้วทางนี้เป็นทางตรง ว่าอุบายวิธีที่จะละตันหานั้นนะ่ะมันมีทางตรงมันมีกระแสตรงมีอยู่นี้แหละคือหลักมารีฐานนี่แหละเป็นกระแสตรงไม่จาเป็นจะต้องมีอุปนิสัยรู้เห็นพรรยาจิ ต, จ, ตจิตของคนนู้นจิตของคนนี้รู้เห็นอ่ารู้เห็นอะไรล่วงหน้าหรือรู้เห็นอดีตหรือรู้เห็นอนาคตหรือรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เห็นเหตุการณ์ ที่สำคัญสำคัญ่ะไม่มีความออกรู้ออกเห็นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปตั ด, ตดกิเลส ต, ตัดตัณหาได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมันมีกระแส ต, ตรงที่เราจะต้องรู้อ่ะแล้วก็ท้ามาไล่ไล่ไล่ตล่อมหลอมมาเกี่ยวเรื่องหลักหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหลายมากระบวนการของตาเกี่ยวข้องกับรูปอย่างเงี้ย เกิดความรู้สึกท่าเรียกว่าวิญญาณจั ก, กุวิญญาณในขณะเดยียวกันท่านก็เรียกสัมผัสหรือผัสสะก็ได้สร้าเกิดความเกิดเวทนาเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกนี้เป็นเกณฑ์การตอบรับของจิตของเราหนึ่งมันชอบใจสองไม่ชอบใจแต่ถ้าเราเจริญมาสติมันสามารถทําให้ความชอบใจตกไปทําให้ความไม่ชอบใจตกไป เพราะสติกำมัจดจ่ อ, จ อ, จอตื่นรู้เป็นผู้เฝ้าเวรยามให้กับจิตของเราได้เป็นอย่างดีตัณหาเกิดไม่ได้ในเมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็ไม่มีเนี่ยทุกข์ก็ไม่เกิดมันไปไม่ถึงอุปาทานมันมามอด ม, ม, มันมาดับลงตั้งแต่ตั้งแต่เวทนาคือเวทนาสัตว์้งว่าเวทนาจริง เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญว่ากายสักเทวะกายเวทนาสักเทว่าเวทนาจิตสักเทวะจิตธรรมสักเทวะธรรมตามรู้ตามเห็นมิสติกำลังเจดะจ่อทำลายอภิชาโทมณัตอภิชาคือความรักโทมณัตคือความคัดแคบขับแขนใจทำลายความชังทำลายความรักทำลายความชังได้หมดกด็อยู่หัวใจมาได้ นันเมื่อคณะหนึ่งมันก็เกิดไม่ได้คณะสองมันก็เกิดไม่ได้วันนี้มันก็เกิดไม่ได้วันหน้ามันก็เกิดไม่ได้ตอกย้ําอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เนๆสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอ่อนแรงลงไปผลที่ดิบที่ดีมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือคุณสมบัติเพราะเรี่ยวแรงของการเอาสติมากําหนดเจุดจบตั้งมั่นเข้าไป ไม่ต้องไปย่อท้อว่าเรายัางนั้นได้อย่างนี้ได้ยังนั้นไม่ได้อย่างนี้นไม่ได้จับมาตรงนี้ได้หมดใครจะเป็นประเภทอ่าใครจะเป็นประเภทปัญญาวิมุตต์ใครจะเป็นประเภทเจตโตวิมุตต์มันมารวมกันอยู่ในนี้ทั้งหมดใครจะมีออกรู้ออกเห็นมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญา ใครจะไม่รู้ไม่เห็นประเภทสุขวิปะสะัสสกสุขวิปะสะัสสกนี่แหละประเภทสุขวิปะสะัสสกเป้าประสงค์ของการตั้งใจภาวนาเพื่อทําลายตัณหาย่ยางตัณหาให้มันหูแห้งด้วยตปะธรรมย่างไปเรื่อยย่ยางไปเรือยแห้งไปเรืยแสดงว่ไม่เตรียมหายหน้านี้ไปไหนก่อ เคสดสำหรับหมู่เพื่อนเราวันนี้พวกเราเขาเหนยกันทั้งวันอนานว่ายุติแค่นี้ได้จะกลับไปที่บ้านคนุณนัชนีก็มีคุณนัชนียังอยู่แล้วออาศัยบุญบ้านใหญ่แล้วบุญ เ, เพื่อนได้พึ่งพาอาศัยอืบุญเพื่อนได้พึ่งพาอาศัยอะไจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญไม่มีดอก ขึ้นชื่อว่าบุญมันโลมันโถมันโปมันไม่ติดไม่ตันเขี่ยบซ้ายก็ได้เขี่ยบขวาก็ได้ขยับหน้าขยับหลังขยับตรงไหนไม่ชนไม่ติดไม่ตันตรงกันข้ามกับบาปคือไม่มีบุญเขี่ยบซ้ายก็ติดเขี่ยบขวาก็ติดขังหน้าก็ติดข้างหลังก็ติดยกตี้ก็ยากหนักนวลอึ้งยกมือยกตี้ยกสติปัญญามันไม่มีมันหนักน่วงทงฉีดทงใจไปหมดขึ้นชื่อว่ากรรม กรรมต่ำต่ำซามันทับโถมอยู่มันบอกอะไรมันไม่เป็นรูปเป็นทางบุญจึงเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเป็นไปในวัฏฏะสงสารได้อย่างสะดวสบายโดยเฉพาะทานบา ร, รมีเนี่ยทําให้เราเป็นไปไม่อดไม่หั้นเป็นไปในวัฏฏะสงสารเหมือนจเจริญวีลลอเลื่อนไม่มีติดไม่มีตันไม่มีอัน้นเลยไปได้กล้าเลื่อนตลอดเป็นที่หัวบุญ เรามองบุญเรามองที่ไหนเราก็ต้องมองที่ใจของเราพฤติกรรมกายของเราดีเร า, เราก็มีบุญพฤติกรรมวายจาจของเราดีมีศีลมีธรรมนี่ก็คือบุญพฤติกรรมจิตของเราดีมีความสงบมีสมาธินี่ก็คือบุญพฤติกรรมของจิตของเรามีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้ควรรู้ไม่ควรเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิ อันนี้ก็คือบุญเป็นผู้มีกายยกรรมดีเป็นผู้มีวัจจีกรรมดีเป็นผู้มีมโนกรรมดีแปลว่าเป็นผู้มีบุญ <f az os> เพราะบุญแปลว่าความดีปุญญังปุญญะปุญญังมันเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความดีเอาอะไรมาดีท้ากายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีเอาอะไรมาดีมันไม่มีอะไรดี คนเราเอาโน่นมาดีเอานี่มาดีผลงานโดดเด่นนั่นนั่นคือดีของเขาแห่แล้วไปอย่างไหนอ่ะไปจากปัญญาของเขาไปจากมือจากตีมของเขาแล้วดูผลงานคุณค่าคุณสมบัติ น, นู่นดีอันนี้เด่นอันนั้นทำงงานสิ่งนั้นเหลือดี ก็ไปจากกายยักกรรมเขาดีไวจีกรรมเขาดีมนโนกรรมเขาดีสิ่งที่เอื้อมัให้ประสบความสุขความเจริญไม่มีติดตันอัน้นตูนั่นแหละคือผลผลการให้ผลของบุญบุญจะจำแนกเจดจ่ายให้เราประสบความสุขความเจริญโดยฐานะโดยการเวลาโดยโอกาส ตาพอดีพอหมาะพอควรกับกรรมนั่นนั่นแต่บุญให้ผลในปัจจุบันทันด่วนทําเดี๋ยวนี้ปั๊บได้ผลเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้ผล ส, สืบสืบวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าชาติข้างหน้าสามารถให้ผลได้ข้ามภพข้ามชาติบาปก็เหมือนกันสามารถให้ผลได้ข้ามภพข้ามชาติแต่มันให้ทุกเล่าร้อนบุ่ญบายไม่จบไม่สิน้นเราดูเถอะ นั่นคือผลของบาปเราสังสมอบรมณสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นผู้มีเสบียงเลี้ยงตัวไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งสมถติไม่ทิ้งวิปัสนาไม่ทิ้งหลักคําสอนของพระเจ้าเพราะหลักคำสอนของพระเจ้าเป็นหลักคําสอนสากลประชาชนทุกชาติชั้นวันณนะทุกศาสนามาตั้งใจปฏิบัติตามนี้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกได้ เพราะพระองค์นั่บรรลุธรมรมนรรลุตามหลักความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่พระองค์มาเสกสรรปันแต่งไม่ใช่พระองค์มาบัญญัติเอาเฉยเฉยโดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับไม่ใช่เพียงธรรมะบัญญัติศัพท์เรี่ยนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านัานเรียกตามความเป็นจริงพายนจิตของพองค์เพราะเห็นว่าพราะองค์มีข้อแรกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนที่จะได้มาคืออะไร สร้างมารวีดูที่สี่อสองขายแสนหมากับแปดอสองขายแสนหมากับสิบหกอสงขายแสนหมากับนี่คือข้อแรกเปลี่ยนออวันนี้เ อ, อวังแทนนี้